บริเชษที่3อารมณ์ของวิปัสสนาภาวนาโดยเหตุที่คัมภีร์นี้เน้นการนําเสนอวิปัสสนาภาวนาเป็นหลักดังนั้นในบทนี้จะกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างบัญญัติและประมัตดและวิธีเจริญวิปัสสนาภาวนาด้วยการกําหนดรู้อารมณ์ของวิปัสสนาที่เป็นปรมัตดดังต่อไปนี้บัญญัติและประมัตด คัมภี่อภิธรรมมัทวิภาวินีกล่าวว่าปารโมโอุตโตโมอวิปริโตอัตโทปรมัตโธสภาวะประเสริฐคือสูงสุดหมายถึงไม่เปลี่ยนแปลงชื่อว่าปารมัตโดยปกติสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งผิดจากสภาวะธรรมย่อมไม่ประเสริฐ แต่สิ่งที่มีอยู่จริงไม่เปลี่ยนแปลงจากสภาวะของตนย่อมเป็นสภาพที่ประเสริฐดังนั้นสภาวะธรรมสี่อย่างคือจิตเจตสิกรูปและนิพานอันมีจริงไม่เปลี่ยนแปลงจึงชื่อว่าปรมัตุหรือปรมาทธรรมโดยมีรูปวิเคราะห์ตามข้อความในคัมภี์อัตถกถาว่าปรโมอุตโม อตตปันจัคโขอัต โ, อโถปรมัตโถสภาวะประเสริฐคือสูงสุดหมายถึงรู้ได้ด้วยตนเองชื่อว่าปรมัติข้อความข้างต้นหมายความว่าสิ่งที่ฟังจากผู้อื่นอาจถูกหรือผิดก็ได้ไม่เรียกสิ่งนั้นว่าเป็นปรมัติแต่สิ่งที่บุคคลรับรู้โดยประจักษ์แก่ตนเองย่อมจะไม่ผิดพลาดดังนั้น สภาวะธรรมสี่อย่างข้างต้นจริงชื่อว่าปรลมะท์แม้อธกถาของคำพีกถาวัตถุก็อธิบายเรื่องนี้ว่าสภาวะที่ไม่ควรยึดถือโดยการที่ไม่มีจริงเหมือนมายากนและพยับแดดเป็นต้นชื่อว่าสัจจิกถาคือสภาวะที่มีจริงสภาวะสูงสุดที่ไม่ควรยึดถือโดย เป็นสิ่งที่ฟังต่อมาชื่อว่าปรมัตสภาวะประเสรศิฐอันหนึ่งชื่อว่าสัจจิกัตถะเพราะปรากฏจริงแก่ตนและชื่อว่าปรมัตเพราะประจักษ์แก่ตนพระผู้มีพระภาคตรัสคำนี้ไว้โดยหมายถึงธรรมเหล่านั้นพระอัตถทาจาร์กล่าวถึงธรรมที่เรียกว่าสัจจิกัตถะและประมัตาิจประการ ซึ่งสรุปได้ในธรรมสี่ประการคือจิตเจตสิกรูปและนิพพานหรือย่อได้ในธรรมสองประการคือรูปและนามในที่นี้จะอธิบายโดยสรุปเป็นรูปและนามนักมายากลสามารถแสดงอิดกระดาษหรือก้อนหินให้เห็นเป็นเงินทองคนดูก็สำคัญว่าเป็นจริงแต่เงินทองเหล่านั้นไม่มีจริง กวางที่หาน้ำดื่มในฤดูร้อนเห็นพยับแดดแล้วคิดว่าเป็นน้ำแต่น้ำนั้นไม่มีจริงในทํานองเดียวกันสิ่งบัญญัตมีรูปร่างสันฐานตามที่สมมติกันในทางโลกว่าเป็นบุรุษสตรีมือเท้าก็ไม่มีอยู่จริงเพราะเป็นสิ่งประชุมกันของรูปนามเท่านั้นมีเพียงรูปนามที่เป็นสภาวะมีอยู่จริง เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยจึงชื่อว่าสัจิกตถะหรือปรมัตดความจริงผู้ที่เห็นรูปทางจากักหุประสาทย่อมรับรู้สีที่มีอยู่จริงซึ่งแตกต่างจากมายากลและพยับแดดที่ไม่จริงเพราะถ้าไม่มีสิ่งที่พึงเห็นได้สภาวการเห็นย่อมไม่เกิดขึ้นดังนั้นสีที่เห็นทางจากักรุประสาท จึงเป็นสัจจิกตะหรือประมาทิเมื่อเห็นสีแล้วคนเราก็จะคิดถึงรูปร่างสันฐานทางมโนทวารว่ายาวสั้นกลมแบนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมบุรุษสตรีมือเท้าจึงสำคัญว่าเห็นรูปร่างสันฐานเพราะจิตที่เห็นทางจากักหุทวาร และจิต ท, ที่ดำริทางมโนทวารเกิดดาบรวดเร็วมากจนคนทั่วไปแยกไม่ได้ทำให้เข้าใจผิดคิดว่าจิต ท, ที่เห็นสีและจิต ท, ที่รับรู้สันฐานเป็นจิตดวงเดียวกันคำภีโมดิกากล่าวว่าหน้าที่ของจักรวิญญาณคือความเป็นไปในสีอย่างเดียวไม่ใช่รับรู้ความเคลื่อนไหว ที่ร่วมกับความประสงค์ของผู้อื่นแต่คนทั่วไปที่ปราศจากความเข้าใจย่อมสำคัญว่าแม้สิ่งที่รับรู้ทางมโนทวารต่อจากจักุวิญญาณวิถีก็เหมือนเห็นได้ทางจักุประสาทเพราะจิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในขณะเห็นมือเคลื่อนไหวบุคคลย่อมเห็นสีด้วยจักุวิญญาณขณะนั้นยังไม่รับรู้ว่าเป็นมือ หรือเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวแต่จิตเกิดดาบรวดเร็วมากคนทั่วไปจึงเข้าใจผิดตามที่เห็นทางจากักหุทวารว่ามือเคลื่อนไหวอยู่ส่วนผู้ที่จเจริญวิปัสสนาจนช่ำชองจะรับรู้ได้ว่าจิตที่เห็นสีจิตที่รู้ว่าเป็นมือและจิตที่รู้ว่ากำลังเคลื่อนไหวเป็นจิตคนละดวงกัน เหมือนเมื่อบุคคลเห็นดุนไฟที่แกว่งเป็นวงในตอนกลางคืนมักเข้าใจว่าตนเห็นดวงไฟความจริงวงไฟไม่ได้เกิดพร้อมกับไฟแต่เป็นเพียงอาการแกว่งเป็นวงกลมที่เกิดอย่างต่อเนื่องจิตของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตดวงหลังๆเกิดขึ้นรับรู้สิ่งที่เห็นซึ่งเกิดติดต่อกัน ก็กลายเป็นภาพที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานนอกจากนั้นคนที่อ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องต้องรวมอักษรทีละตัวแล้วพิจารณาสะกดเป็นคำๆจึงจะอ่านเข้าใจได้การพิจารณาใคร้ครวนนี้ปรากฏชัดเพราะใช้เวลานานแต่คนที่อ่านหนังสือคล่องแล้วจะอ่านได้เข้าใจทันที เพราะการพิจารณาเกิดขึ้นเร็วฉันใดสภาวะเห็นย่อมแยกออกจากการพิจารณาได้อย่างชัดเจนในอารมณ์ที่ไม่คุ้นเคยแต่การพิจารณาย่อมไม่ปรากฏชัดเจนในอารมณ์ที่คุ้นเคยฉันนั้นด้วยเหตุนี้คนทั่วไปจึงสําคัญว่าจากขูประสาทเห็นบุรุษสตรีอหนึง่งว่าโดยธาตุ รูปร่างสันฐานของทุกสิ่งจัดอยู่ในกลุ่มธาตุสีจักรวิญญาณจึงเห็นสีทางจากักรประสาทเท่านั้นแม้การสัมผัสทางกายก็เป็นการกระทบผดทัพพารมซึ่งเป็นรูปเย็นหรือร้อนเป็นต้นที่สัมผัสได้ไม่ใช่กระทบรูปร่างสันฐานเพราะเมื่อแยกผดทัพพารลมออกจากรูปร่างสันฐาน ก็จะไม่มีสิ่งที่สัมผัสได้ดังนั้นรูปร่างสันฐานของบุรุษหรือสตรีจึงเป็นบัญญัติที่ไม่จริงดวงตาของบุคคลทั่วไปมีความใสที่สามารถรับรู้รูปารมณ์ได้ซึ่งเรียกว่าจักขุประสาสตสีต่างๆจึงประจักษ์ชัดเบื้องหน้าจักขุประสาทถ้าไม่มีจักขุประสาทก็จะไม่ปรากฏสี เหมือนเงาหน้าย่อมปรากฏบนกระจกเงาไม่ปรากฏที่อื่นจกักขุประสาทที่มีความใสสามารถสะท้อนสีต่างๆให้จกักขุวิญญาณเห็นได้จึงเป็นสภาพที่มีอยู่จริงแม้สภาวะเห็นก็มีจริงและสีที่เห็นก็มีจริงสรุปว่าจากักขุประสาทจากักขุวิญญาณและสีเป็นสภาพที่มีอยู่จริง คือภูตัตะสัจจิกตะประมัติตามในที่กล่าวมาข้างต้นนี้แม้โสตประสาทโสตวิญญาณและเสียงเป็นต้นก็เป็นสภาพที่มีอยู่จริงแต่การฟังตามกันมาอาจเป็นการรับรู้เรื่องจริงหรือไม่จริงก็ได้ จึงไม่ชื่อว่าปารมัติสิ่งที่ตนรับรู้โดยประจักษ์เท่านั้นจึงมีจริงและได้ชื่อว่าปารมัติในคำพีอัตกรถาอย่างกล่าวถึงสิ่งอื่นที่รับรู้อย่างไม่ประจักษ์ชัดเช่นปรมปาราการถือสืบกันมาตั้งแต่รุ่นอาจารย์หรือปู่ย่าตายายอิติกิระคำเล่าเลือปิตกะสัมปทานะ การอ้างตำราตกกะกเหตุความเป็นเหตุเป็นผลนยเหตุตุการชี้นาอาการับปริวัตกะการตรีตรองตามอาการทิฏฐินิชานะการเข้ากับความเห็นที่ตนยอมรับไว้แล้วการฟังและเชื่อตามกันมาที่กล่าวมานี้อาจจะจริงหรือเท็จก็ได้ พระพุทธองค์จึงทรงปฏิเสธไว้ในกลมาสูตรแล้วทรงแนะนำให้ปฏิบัติด้วยตนเองจนกระทั่งรับรู้สภาวะธรรมที่ประจักษ์แก่ตนอย่างแท้จริงสภาวะธรรมคือรูปนามทั้งสองอย่างไม่ใช่ธรรมที่จะเข้าใจได้ชัดเจนด้วยการฟังคำบอกเล่าต่อๆกันมาแต่พึงเข้าใจด้วยการปฏิบัติของตนเองเท่านั้นเหมือนคนตาบอดแต่กาเนิด แม้คนอื่นจะพูดสีต่างๆเช่นสีขาวสีแดงสีเหลืองก็ไม่อาจเข้าใจว่าสีเหล่านั้นต่างกันอย่างไรหรือเมื่อใครพูดถึงสภาวะาการเห็นก็ไม่เข้าใจว่าการเห็นคืออะไรบางคนมีคานะประสาทบกพร่องแม้คนอื่นจะพูดถึงกลิ่นหอมหรือเหม็นก็ไม่อาจจำแนกได้ หรือเมื่อมีคนพูดถึงอาหารที่เราไม่เคยรับประทานเราก็ไม่เข้าใจในรสชาตินั้นหรือคนที่ไม่เคยปวดหัวปวดฟันแม้ใครจะพูดถึงก็ไม่เข้าใจในกรณีเดียวกันผู้ที่ไม่เคยบรรลุวิปัสนาญาณฌานหรือมรรคผลคำพีจะกล่าวไว้ก็ไม่เข้าใจอย่างท่องแท้นักปฏิบัติผู้บรรลุวิปัสนาญาณบรรลุฌาน และพระอริยบุคคลเท่านั้นจึงจะเข้าใจเรื่องนั้นๆได้อย่างชัดเจนความเข้าใจเรื่องของรูปนามจากการศึกษาหรือจากการฟังจากผู้รู้ก็เป็นเพียงบัญญัติที่เกี่ยวกับปรมัตไม่ใช่สภาวธรรมที่เป็นปรมัตจริงการรับรู้ปรมัตคนทั่วไปเห็นสีทางจักขูุประสาทจริง แม้จกักรุประสาท์และจกักรุวิญญาณก็มีอยู่จริงในขณะเห็นด้วยเหตุนี้สีจกักรุประสาสต์และจกักขุวิญญาณจึงเป็นสภาวะที่มีจริงแม้เสียงโสตประสาทและโสตวิญญาณก็มีอยู่จริงในขณะได้ยินเสียงดังนี้เป็นต้นอันหนึ่งตามปกติปุตุชนจะสามารถรับรู้รูปนามที่เป็นกรรมธรรมได้ เพราะสภาวธรรมเหล่านั้นปรากฏชัดทางทวารหกคือตาหูจมูกกลิ้นกายใจโดยเฉพาะในขณะเจริญวิปัสนาจะปรากฏอย่างชัดเจนผู้ที่บรรลุฌานย่อมรับรู้ชานธรรมที่เป็นมหคัต ธ, ธรรมได้ส่วนผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลย่อมรับรู้มรรคผลและนิพพาน โดยประจักษ์ได้ดังนั้นรูปนามทั้งหมดจึงเป็นสภาวะที่มีอยู่จริงซึ่งเรียกว่าปรมาติไม่ใช่สิ่งที่คิดขึ้นเองด้วยการฟังตามกันมาเป็นต้นดังสาธกในคำภีมูลดิกาว่าพระอัตกต า, าจาร์เมื่อจะแสดงว่าสิ่งที่รับรู้ด้วยการฟังตามกันมาเป็นต้นอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ สิ่งที่ถูกรับรู้อย่างนั้นจึงไม่ใช่ปรมัดแต่สิ่งที่ประจักษ์แก่ตนเองจึงเป็นปรมัดจึงกล่าวดังนี้ว่าอนุสาวาธิวเสนะอักคะเหตัปโภอุตตามัตโภเนื้อความอันสูงสุดที่รับรู้ไม่ได้ด้วยการฟังตามกันมาเป็นต้นเนื้อความอันสูงสุดเป็นประธานชื่อว่าปรมัด เพราะเป็นสภาวะไม่เปลี่ยนแปลงหมายถึงสภาวะที่ประจักษ์แก่ยานและบุคคลอื่นที่แสดงสภาวะธรรมได้ชัดเจนไม่ได้ข้อความข้างต้นอธิบายได้ว่าสภาวะธรรมรูปนามมีจริงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงจากการรับรู้ของทุกคนจึงจัดเป็นเนื้อความอันสูงสุดหรือปรมัติต และเป็นสภาพประจักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้ที่เจริญวิปัสนาจนกระทั่งเกิดวิปัสนาญาณทั้งมิใช่สภาวะที่ประจักษ์แก่ผู้ที่ฟังจากบุคคลอื่นแนะนำว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คำว่าอนิทิสิตัพัสภาโวแสดงสภาวะธรรมอย่างชัดเจนไม่ได้สอดคล้องกับข้อความจากคมภีอัตถกถาว่า อนุสวาธิว่าเสนะอักคะเหตับโพรับรู้ไม่ได้ด้วยการฟังตามกันมาเป็นต้นโดยพระอัตถกถาจารย์อธิบายว่าสภาวะที่ไม่ได้ประจักษ์แก่ตนเพียงฟังมาจากบุคคลอื่นไม่ใช่ประมาตถและพระฎิกาจารย์ก็กล่าวว่าสภาวะการอธิบายให้คนอื่นเข้าใจตามที่ตนเองรับรู้ไม่ได้ ชื่อว่าปรมัดความจริงแล้วคำอธิบายลักษณะของรูปนามจัดเป็นบัญญัติเท่านั้นไม่ใช่สภาวะที่ประจักษ์แก่ผู้ฟังเช่นการกล่าวว่าปฐวีธาตุมีลักษณะแข็งจิตมีสภาวะรับรู้อารมณ์ผัสสะมีสภาวะกระทบอารมณ์ก็เป็นคำบัญญัติที่กล่าวถึงชื่อซึ่งเรียกว่า วิชมานะบัญญัติบัญญัติแสดงเนื้อความที่ปรากฏอาการบัญญัติบัญญัติแสดงอาการหรือถ้าอธิบายในลักษณะของรูปร่างสันฐานก็เป็นสันฐานบัญญัติบัญญัติแสดงสันฐานแม้ปุถุชนที่เคยได้ฟังมาก็อาจกล่าวถึงลักษณะของมรรคผลและนิพพานได้แต่เขาไม่อาจรับรู้นิพพานเป็นอารมณ์ด้วยมรรคจิต หรือผลละจิตได้เพราะผู้ที่ยังไม่บรรลุถึงโคตรรภจะรับรู้นิพพานเป็นอารมณ์ไม่ได้เลยเหมือนผู้ที่ไม่เคยทานมะม่วงมาก่อนเมื่อมีคนพูดว่ามะม่วงหวานก็ไม่ทราบว่าหวานอย่างไรต่อเมื่อได้ทานแล้วจึงเข้าใจถึงรสหวานนั้นได้ดังนั้นลักษณะของมรรคผลและนิพพานที่ปุตุชนรับรู้ จึงเป็นเพียงการรู้แบบสัญญามิใช่การรับรู้โดยประจักษ์ด้วยตนเองอันหนึ่งบัญญัติเป็นคำสื่อความหมายและเป็นสิ่งสมมติการขึ้นในโลกมีสภาพไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากไม่มีอยู่จริงบัญญัติทั้งสองอย่างนั้นเป็นเพียงสิ่งที่นึกคิดกันขึ้นมาเป็นอารมณ์เท่านั้นลองคิดดูว่า ชื่อในกออยู่ที่ร่างกายส่วนใดและเปลี่ยนแปลงไปเมื่อใดจะพบว่าชื่อดังกล่าวมิได้อยู่ในอวัยวะส่วนใดเลยทั้งมิได้ขึ้นอยู่กับการเวลาชื่อนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อทุกคนนึกถึงในกอเท่านั้นถ้าทุกคนลืมเข้าไปชื่อนี้ก็จะหายสาบสูญไปเหมือนชื่อสุเมธดาบทซึ่งหายสาบสูญไป สีอสงไขยแสนกับแต่มาปรากฏชาวพุทธในพัทระกับนี้อีกแม้สาธรณะานามว่าบุรุษสตรีหม้อผ้าเป็นต้นก็มีในเดียวกันนี้คือเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงทั้งโดยคำเรียกและวัตถุสิ่งของคำเรียกเป็นบุคคลบัญญตัติคือบัญญัติแสดงบุคคลส่วนวัตถุสิ่งของเป็นสันฐานบัญญัติ คือบัญญัติแสดงสันฐานสิ่งที่เรียกว่าเกวียนประกอบขึ้นจากล้อซี่กงซี่กำรรตัวรถถ้าแยกชิ้นส่วนแต่ละชิ้นออกมาก็จะไม่เหลือเกวียนอยู่ชั้นใดถ้าแยกรูปนามออกจากบุคคลที่เราสมมุติกันว่าเป็นบุรุษสตรีก็จะไม่มีบุรุษหรือสตรีเหลืออยู่ฉันนั้นในทำนองเดียวกันแม้แถวมด ก็เป็นเพียงการรวมตัวของมดที่เดินต่อเนื่องกันไปกระสอบทรายประกอบด้วยเม็ดทรายที่รวมกันอยู่เชือกฟันด้วยเส้นใยมะพร้าวก็คือใยมะพร้าวที่นำมารวมกันกระแสน้ำก็คือน้ำที่ไหลมารวมกันไม่ขาดสายหรือต้นไม้ก็เป็นสิ่งที่รวมส่วนสำคัญเช่นรากลำต้นกิ่งใบเป็นต้น กล่าวโดยสรุปในบรรดาปรมัตสีอย่างนั้นนิพพานเป็นอสังคตะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยคือกรรมจิตอุตตุและอาหารปรุงแต่งจึงมีสภาวะเที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรปรวนส่วนปรมัตอีกสามอย่างคือจิตเจตสิกและรูปเป็นสังคตะธรรมซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันปรุงแต่ง ซึ่งมีสภาวะแปรปรวนไม่เที่ยงเมื่อแยกออกเป็นสิ่งที่เกิดภายในร่างกายและเกิดอยู่ภายนอกร่างกายทั้งหมดนั้นประกอบด้วยขณะเกิดขึ้นขณะตั้งอยู่และขณะดับไปในอดีตปัจจุบันและอนาคตส่วนบรญญัติที่เป็นคำสื่อความหมายและสิ่งสมมติกันขึ้นในโลก ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงในขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในการทั้งสามทั้งไม่ใช่นิพพานที่เป็นอารมณ์ของมัคคจิตและผลจิตเป็นเพียงสิ่งที่คิดสมมติขึ้นเช่นคำบาลีว่ารูปารมณะเกิดอยู่หรือจะเกิดขึ้นภายในและภายนอกร่างกายทั้งไม่ใช่ตั้งอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง ส่วนการคิดถึงสิ่งเหล่านั้นแม้ทางมโนทวารจัดเป็นนามบัญญัติอาการบัญญัติหรือสันฐานบัญญัติตามสมควรเพราะสิ่งเหล่านั้นมิใช่เกิดแล้วเกิดอยู่หรือจะเกิดขึ้นต่อไปทั้งไม่ได้ตั้งอยู่ในสิ่งใดเปรียบเหมือนคนกลัวผีเมื่อพบเห็นสิ่งที่น่าตกใจก็คิดว่าผีหลอกหรือคนนอนหลับฝันไป ก็คิดว่าความฝันนั้นเป็นจริงดังนั้นอารมณ์ทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในจิตตามสัญญาหมายรู้จัดเป็นบัญญัตทิที่ไม่มีจริงตามในดังกล่าวมานี้คาบัญญัติที่กล่าวถึงจากขุประสาทจากขุวิญญาณรูปารมณ์และโสตประสาทโสตวิญญาณสัทธารมเป็นต้นเป็นบัญญัติ ส่วนสภาวะที่จิตรับรู้อย่างแท้จริงในปัจจุบันขณะเป็นปรามัิอันหนึ่งคำแสดงชื่อของอากัปกิริยาต่างๆเช่นการเดินยืนนั่งนอนเหยียดคูเป็นบัญญัติที่เรียกว่าวิชมานะบัญญตัติคือบัญญัติแสดงเนื้อความที่มีปรากฏเพราะสื่อความหมายถึงรูปที่เกิดจากจิตและจิตตชรูปที่เป็นไปโดยอาการเดินนั้น ส่วนเนื้อความในบัญญัติว่าเดินสามารถสื่อถึงการรับรู้ได้เป็นสองระดับคือการรับรู้ของคนทั่วไปและการรับรู้ของผู้เจริญวิปัสนาภาวนาการรับรู้ของคนทั่วไปหมายถึงการรับรู้ตามปกติที่คนทั่วไปย่อมรับรู้ว่าเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนเราเหยียดเราคู้ โดยมีความรู้สึกว่ามีตัวตนพร้อมด้วยรูปร่างสันฐานของมือเท้าร่างกายสิ่งที่รับรู้นี้เป็นบุคละบัญญัติคือบัญญัติแสดงบุคคลและสั น, นานบัญญัติคือบัญญัติแสดงสันฐานแม้ว่าบัญญัติที่เป็นวิชมานะบัญญัติจะสื่อถึงสิ่งที่มีอยู่จริง แต่ถ้าไม่มีสติระลึกรู้สภาวะรามตามความเป็นจริงก็จะเข้าใจว่ามีตัวตนเราของเราเหมือนบัญญัติที่หมายถึงรูปเวทนาและปัตวีเป็นต้นแม้มีอยู่มาก่อนสมัยพุทธกาลก็มิได้ทำให้คนทั่วไปรับรู้สภาวะของบัญญัตเหล่านี้ได้ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประกาศสัจธรรมแล้วชาวพุทธจึงเข้าใจ และกำหนดรู้ได้อย่างถูกต้องการรับรู้ของผู้เจริญวิปัสนาเป็นการรับรู้สภาวะของรูปที่เคลื่อนไหวอยู่ในขณะเดินและเมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้นย่อมจะรับรู้จิตที่ต้องการจะเดินรับรู้รูปที่เกิดแล้วดับไปในขณะหนึ่งขณะหนึ่งในขณะนั้นนักปฏิบัติจะเข้าใจได้ว่าเราเดิน เป็นเพียงคำที่ใช้พูดกันในโลกไม่มีตัวเราที่เดินอยู่จริงมีเพียงจิตที่ต้องการจะเดินและรูปที่เคลื่อนไหวจากขณะหนึ่งไปสู่อีกขณะหนึ่งเท่านั้นแม้ในขณะยืนเหยียดคู่เป็นต้นนักปฏิบัติก็จะรับรู้จิตที่ต้องการจะทำอิริยาบถนั้นๆพร้อมได้รูปที่เกิดขึ้นและการเกิดดับของรูป จากขณะหนึ่งไปสู่อีกขณะหนึ่งการรับรู้อย่างนี้เป็นการอย่างเห็นอย่างประจักษ์ด้วยวิปัสนาญาณจิตที่ต้องการจะเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยเจตนาคือความตั้งใจฉันทะคือความปรารถนาเป็นเหตุให้เกิดสภาวะเคลื่อนไหวสำนักวิปัสนาบางแห่งเรียกจิตนั้นว่าต้นจิต แต่ผู้แปลคิดว่าควรเรียกว่าจิตสัง่งจะเข้าใจง่ายกว่าดังคำพังเพยของไทยว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนอกจากนี้บัญญัติที่เป็นคำบาลีว่าอิทีปุริสะหัตถะปาทะคตะและปาตะพร้อมทั้งคำแปลหญิงชายมือเท้าหม้อผ้าเป็นต้น ได้ชื่อว่าอาวิชมณนะรูปที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าเป็นหญิงชายแท้ที่จริงสภาวะที่รับรู้ได้ทางประสาทสัมผัสคือสีเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่เป็นความแข็งอ่อนเย็นร้อนหย่อนตึงไม่ใช่คาบัญญัติว่าหญิงชายแต่อย่างใดตามหลักพระอภิธรรมการรับรู้คาบัญญัติและสันฐานนั้น เกิดขึ้นทางใจที่เรียกว่ามโนทวารวิถีซึ่งเกิดต่อจากปัญจทวารวิถีคือวิถีจิตที่เกิดทางปัญจทวารมีคำพังเพยว่าเมื่อบัญญัติเกิดประมัดย่อมหายไปเมื่อประมัดเกิดบัญญัติย่อมหายไปหมายความว่าเมื่อเรารับรู้ว่าเป็นหญิงชายตามบัญญัตินั้ น, น, น ปรมัดที่เป็นสีเสียงกลิ่นย่อมไม่ปรากฏแต่เมื่อรับรู้ตามสภาวะว่าเป็นรูปนามปรามัดย่อมปรากฏและบัญญัติจะอันตรธานไปอารมณ์ของวิปัสนาปัจณิจะกล่าวถึงอารมณ์ของวิปัสนาผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติวิปัสนาภาวนาพึงเจริญสติระลึกรู้รูปนามปรามัตดเท่านั้น ไม่ควรใส่ใจต่อบัญญัติแม้ในปรมัติ์ก็ควรกำหนดรู้สภาวะที่เป็นโลกิยธรรมคือธรรมฝ่ายโลกหมายถึงจิตเจตสิกและรูปไม่ควรกำหนดรู้โลกุตระธรรมเพราะปุถุชนไม่อาจเข้าใจในสภาวะที่แท้จริงของโลกุตระธรรมได้แม้สำหรับพระอริยบุคคล ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะกําหนดรู้โลกุตรธรรมเพราะการกําหนดรู้โลกิยาธรรมนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิกถอนกิเลสที่ยึดมั่นว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาแต่กิเลสที่ยึดมั่นเช่นนั้นไม่มีในโลกุตระธรรมดังนั้นแม้จะกําหนดรู้โลกุตระธรรมก็ไม่อาจจะละ ก, กิเลสได้ เหมือนการปรับพื้นที่ที่มีทั้งที่ลุ่มและที่ดอนให้เรียบเสมอกันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่การปรับพื้นที่ซึ่งราบเรียบอยู่แล้วย่อมจะไม่ได้ประโยชน์แต่อย่างใดดัดงสาธกซึ่งกล่าวถึงปุตุชนและพระอริยบุคคลว่าส่วนโลกุตรจิตย่อมไม่ถึงการกำหนดรู้ของผู้เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวแต่เป็นผู้มีสมัญาณิกะ เพราะตนยังไม่ได้บรรลุโลกุตระธรรมการเจริญกรรมฐานย่อมไม่มีในโลกุตระธรรมเพราะไม่ใช่ฐานะที่จะรับรู้ได้และแม้จะเป็นฐานะที่พระอริยบุคคลรับรู้ได้ก็ไม่มีประโยชน์ในการกำหนดอันหนึ่งวิปัสสนามีสองประการคือ 1. ปัจจคาวิปัสนา วิปั ส, สนาที่ประจักษ์อย่างชัดเจน 2. อ, อนุมานณณวิปั ส, สนาวิปั ส, สนาที่อนุมานรู้ปัจจคาวิปั ส, สนาเป็นการอย่างเห็นรูปนามตามความเป็นจริงในปัจจุบันขณะเหมือนสัมผัสด้วยมือนักปฏิบัติย่อมรู้เห็นสภาวะลักษณะคือลักษณะพิเศษของรูปนามในแต่ละขณะด้วยปัจจคาวิปั ส, สนา ทั้งอย่างเห็นพระตรไลลักษณ์ซึ่งเรียกว่าสามั ญ, ญลักษณะคือลักษณะทั่วไปอันได้แก่อณิจังทุกขังและอนัตตาด้วยเหตุนี้นักปฏิบัติจึงควรเจริญปัจจคาวิปัสสนาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรร ล, ลุอนุโลมยานเมื่อปัจจคาวิปัสสนามีกำลังแก่กล้าขึ้น ตั้งแต่นามรูปปริเฉทะยานเป็นต้นไปนักปฏิบัติจะอนุมาณรู้รูปนามที่มิได้กําหนดรู้ในปัจจุบันขณะการอนุมาณรู้อย่างนี้ชื่อว่าอนุมาณวิปัสนาวิปัสนาประเภทนี้สามารถรับรู้อารมณ์ที่เป็นโลกิยธรรมทั้งหมดซึ่งเกิดภายในภายนอกเป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบัน แต่ไม่สามารถยังเห็นลักษณะพิเศษและลักษณะทั่วไปของรูปนามอย่างชัดเจนเหมือนปัจจกาวิปัสสนาทั้งไม่ใช่วิปัสสนาญาณที่ต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นแต่จะเกิดขึ้นเองในขณะที่ปัจจขาวิปัสสนาแก่กล้าแล้วต่อต้นนี้ไปข้าพเจ้าขอกล่าวถึงวิธีการเจริญปัจจคาวิปัสสนาเป็นหลัก